บุกทูเจ็สิบแปดอออสมคคุณศัพท์หนึ่งปรีเดียดิเยดนผู้หญิงชราหนึ่งคนตาระเจนะ ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคนเดเบลลาเจน่าผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคนรอดอสนาลาเจน่ารถใหม่หนึ่งคันโนวโวอรถความเร็วสูงหนึ่งคัน auto รถนั่งสบายหนึ่งคัน udobno auto ชุดเบรสสีฟ้าหนึ่งชุด plava Halina ชุดเรสสีแดงหนึ่งชุด crvena Halina ชุดเบรสสีเขียวหนึ่งชุด เซลีนาฮาลีนากระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบซึรนาตาชนากระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบสเมจยตชนากระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบบีบเอลลาตช คนใจดีหลายคน Dragi Ludi คนสุภาพหลายคน Culturi Ludi คนน่าสนใจหลายคน Interessanti Ludi เด็กน่ารัก Draga เด็ก д ์ดีเด็กดื้ а เบซอบร้านด์เด็กซ д ดีเด็กดีฟี